ทำต่ออีกครับสามสิบนาทีเสาขยายพระสูตรสามสิบนาทีฟังอีกสามสิบ น, น, นาทีเป็นชั่วโมงเพื่อให้ได้ยินได้ฟังเป็นพระหุสูตรตัวไวเอาคำ สอนพูะเจ้ารณ า, าทยายให้มันซึมซับเข้าไปในชีวิตจิตใจของเรานอกจากนั้นเราก็ปฏิบัติภาคสัมผัสการสัมผัสนี่มัน สุดๆก็ว่าได้ถ้าหลงก็หลงแบบสุดๆถ้ารู้ก็รู้แบบสุดๆถ้าทุกข์ก็ทุกข์แบบสุดๆแต่ถ้ามีภาวะที่รู้ก็จะเห็นหลงถ้ามีภาวะที่รู้ก็จะเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่ความรู้มากมาย แล้วกตาถ้ามีตาก็มีการเห็นเกิดขึ้นหลายอย่างตาเนื้อตาในคือสติถ้ามีภาวะที่รู้มันก็เกิดภาวะที่เห็นหรือว่าดูเห็นถ้าเห็นลวมักจะตอบได้ไม่ต้องมีคำถาม นี่คือหลงไม่เหมือนลู่นี่คือทุกไม่เหมือนลู่นี่คือสุขว่าไม่เหมือนลู่นันต่างกันอยู่แต่ว่าภาคสุดๆภาคปฏิบัติภาคสัมผัสไม่ต้องถามใครทุกเป็นยังไงสุขเป็นยังไงหลงเป็นยังไงโกรธเป็นยังไงมันไม่มีคำถามเป็น บ้านสองผัดเอาด้วยตัวเองเป็นปัจจัดตังของใครของมันดางที่เราสาธยายพระสูตรยเจ้าแสดงเจ้หมู่บ้านกาละมะชนเป็นทางผ่านของนักสอนศาสนาบ้านนี้ ยาละที่ทั้งหกก็ผ่านไปสนใสรัตบุตรมอคนอ๋อที่เก่ากองพลกูกอดใจนะผ่านไปก็สอนแบบทัานแบบนั้นครูทั้งหกมีชื่อเสียงก่อนพระพุทธเจ้า นุ้ยเจ้าก็เวลาเดินัยผ่านไปแถวบ้านนั่นคนก็โวยวายขึ้นอูนั่นอ้ก็กโกจอกกระใจนะก็ะสอนอย่างนี้ที่เกิดความโกลก็สอนอย่างนี้มักคดีก็สอนสอนอย่างนี้สนใจระดับบทสอนอย่างนี้ท่านก็มาสอนแบบนี้ใจเชื่อใคร ก็เลยวุ้นวายพระเจ้าก็เลยกล่าวพระสูตรนี้ขึ้นมาอย่าเชื่ออย่างนั้นอย่าเชื่ออย่างนี้จิงใดที่เกิดเป็นทุกข์เป็นโทษทำแล้วเกิดเป็นทุกข์ทำแล้วเกิดประโยชน์ทำแล้วบันฑิดจำเนติเตียนนั่นจึงเป็นคนที่เชื่อความเชื่อไม่ใช่ เชื่อเลยสัมปัตดตแล้วจึงเกิดความเชื่อนี่คือทุกไม่ใช่แล้วไม่ใช่ทรรมไม่ใช่วในยสิ่งใดเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนและเปลี่ยนคนอื่นจึงนั่นไม่ใช่ทำไม่ใช่วในยก็ก็เป็นคำตอบอเองแทนที่พระเจ้าจะโฆษณาให้เชื่อเราเชื่อเราไม่ใช่ เราก็มาภาคปฏิบัติเนี่ยมันจึงไม่มีคําถามหราตอนนียมันมีแต่คำตอบความจริงความไม่จริ ง, รงเป็นยัางไรมีความพอใจเกิดขึ้นมีความไม่พอใจเกิดขึ้นถ้าเราเห็นก็ถอนความพอใจและความไม่พอใจมีสติตาตรงนี้ ผมพอใจไม่ทำให้เราไม่พอใจความไม่พอใจไม่ทำให้เราไม่พอใจนี่สติเรีว่าออกจากโลกคือรสชาติของโลกจืดแล้วถอนออกมาจืดแล้วเป็นเป็นโพธิสัตว์ก็ได้ตอนนี้โพธิสัตว์น้อย เออเป็นพระเอกได้น้อยพระเอกไม่ใช่เรื่องเดินอยู่บนเส้นทางลอยดอกกุหลาบต้องโขขละที่เป็นพระเอกได้ต้องโขขละผ่านความโขขละมาก็ทบกระทั่งมาโลดมาได้จึงจะเชื่อเป็นพระเอก นางเอกเอกคือหนึ่งเนะหนึ่งละร้องหลวงก็ไม่ต้องหล ง, งควทุกข์ไม่ต้องโกรธไม่ต้องโกรธเพราะว่าหนึ่งนะเอกะมะโขวิสุทธนะิญาเี่ยเอกตาจิตเอกกต่วิตุวิจาร ว, วิตุวิจาริติสุขเอกะคัตตา วิตกวิจารปิติสุ ข, สขก็ไม่ใช่ต้องมาเอตคัตาตาหนึ่งหนึ่งคือลรู้ฌานว่าหนึ่งมาเป็นหนึ่งมาเป็นรู้รวมลงเป็นรู้แต่ต้องเลยสัมผัสทียงเหล่านี้จึงจะเป็นประสบการณ์เห็นสุ ด, สด ก็ยากก็ยากสุดๆทั้งง่ายง่ายสุดๆอันเราไดเดินทางสุดๆที่มันยากขึ้นเขาศรีปทะเคยเคยขึ้นเขาศรีปทะบ้างศรีลังกาประเทศศรีลังกาเดินทางตั้งแต่ตีสามตีสี่กินข้าวกลางทาง ขึ้นเขาสิบัททะขึ้นไปแล้วรีบเอาไว้แค่ก็ไม่ได้ก็ต้องรีบลงมาต้องเดินทางกลับอีกกลับมาถึงที่ภาคิกสามสี่ทุ่มนี่จะเดินทนั้นไม่ใช่เดินทางราดเดินทางขึ้นเขาถ้าใครเคยขึ้นเขาสิบททะเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องเล็ก กูก <c oughs> ดึงเคยขึ้นไหมตอนสุ เ, เทพถ้าเดินตามรถทางรถยนต์ก็ยี่สิบสามสิบกมแต่ถ้าเดินทางลัดก็สิบกว่ามกมก็อันนี้ก็คือการเดินที่มันสุดๆอะไรที่มันยา ก, ยาก โดยที่มันง่ายๆสัมผัส ด, ดูยึดเราก็มีการผ่านสิ่งที่มันกุกกะในชีวิตเรานี่มีกิเลสทั้งปันห้าตหนาทั้งร้อยแปดแต่ก่อนที่มันจะง่ายมันต้องยากเส้นทางที่สวยงามที่สุดในโลกอยู่ประเทศไต้หวัน ตางคเคยดเดินทางรอบเ ก, กาะไต้หวันก็เป็นสุดๆแล้วทางที่สวยที่สุดในโลกต่างหนึ่งเป็นมหาสมุทรเปซิฟิกต่างหนึ่งก็เป็นภูเขาหินโหนมีแต่มีแต่หิน่อนทางโจภูเขาเป็นองมองไม่ร้อ๊ย เป็นรลล้อยกวมองอ่านไปนี่คือสุดๆแบบหนึ่งหิมาลายสูงที่สุดเคยขึ้นไหมขึ้นไปแล้วมองลงมาสนามบินกัรมา ด, ดุสนามบินยี่สิบกมขึ้นไปบนหิมาลายแล้วเลี้ยวลงมาสนามบิน ยี่สิบกมสอสิยี่สิบกมประมาณเหลืออยู่ประมาณหนึ่งว่าเห็นแต่ไปเหลืองเช่าเส้นยาเน่ยเหลืออยู่ประมาณหนึ่งว่าต่ขึ้นไปที่นั่นแล้วหลังตาเคยขึ้นมาแล้วอีมาลายแต่ไม่ขึ้นอีเวเลกไปนอนอยู่ที่นั่นนอนน้ำแข็ง แต่มยไม่บ้านเป็นดีโสดต้องไปจ้างเขานี่คือชีวิตเราบางทีก็ลุยเลยกันบ้างอย่าอย่าอ่อนแอเกินไปให้เป็นพระเอกเรื่องนี้กันบ้างให้เป็นโพลิสัตกันบ้าง เคยสู้ยากเคยสู้สทุกสู้ยากผ่านมาก็<ม>อาจจะเป็นอินชีใหญ่ข้าไม่หวั่นไหวในโลกเราก็ได้สมบัติตัวแล้ ว, ลวในภาคปฏิบัติอะไรที่มันมีในใ น, ในใจเราแสดงออกมาให้เราเห็นค่ายก็ว่าเลียนจบผ่านมาแล้ว กิเลสวันหาตัณหา108กุศลมูลเอากุศลมูลลากเง้อยอย า, ง อ, ย อ, า, าง อ, ยอยู่ตรงไหนอเอากุศลกุศลมูลมันลากเงู้ตรงไหนอก็รู้ก็ เ, เราเห็นกับมือกับตาสัมผัสกับชีวิตเราเอง ตั้งแต่เจริญสติอย่างที่เราสวดทยพระสูตรว่าถอนความวอใจและความไม่วอใจในโลก อ, อกเสียได้นั่นก็เป็นการลื้อถอนอกุศลออกจากชีวิตจิตใจของเราให้เหลือแต่กุศลฉลาดออกจากทุกข์ แล้วกว่าปัญญาพุท ธ, ธะแล้วก็มีงานแบบนี้ทุกเวลาที่เราเข้าสู่ภาพปฏิบัติชนะก็ชนะแบบนี้ชนะตัวเองแบบนี้ไม่ชนะคนอื่นอัะตะหายไปคิดตังเสออยโยชนะตนนั่นแหละประเสริฐที่สุดเพือชนะอย่างนี้มันหลงไม่หลงวันทุกข์ไปทุกข์วันโกรธไม่โกรธ อะไรที่มันเกิดขึ้นมาชนะในเรียก ห, หน้อยไปก็ชนะยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นเช้ ม, เ, ชมเป็นนักกีฬาก็ว่าได้เหนือการเกิดเจ็เจ็บตายไปโน่นการเกิดการแฉกการเจร็บปนตายปเป็นจิฬาของผู้ปฏิบัติแบบนี้ ถ้าไม่เคยฝึกก็เป็นผู้ที่พ่ายแพ้เรี่อปรลชัยสุขเป็นสุขทุกเป็นทุกเป็นปรลชัยไปไม่ถึงไหนเราจึงมาเห็นนะตามหลักที่เราปฏิบัติต้องเห็นแล้วก็บอกภาพปฏิบัติเราก็มีเห็นอยู่แล้วมันทุก เห็นทุกออกจากทุกพ้นจากทุก <c oughs> เห็นหลงออกจากหลงพ้นจากหลงเห็นโกรธออกจากโกรธพ้นจากโกรธเป็นภาพปฏิบัติากับการเจริญสติมีสติสมัชฌิยสอนความพอใจและความไม่พอใจออกมาแล้วให้ภาพปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ก็มรฐานมีที่ตั้ตงสมบูรณ์แบบ มีสติเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนั่นมีสติเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีสติเห็นจิตในจิตทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีสติเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีสี่สี่ด่านทำให้เราหลงถ้าไม่หลงอยู่สีด่านนี้ก็คล อ, องตัวเหมือ น, นกับการเดินทาง มีอะไรที่มันค่องตัวเช่นไปต่างประเทศต้องมีพาสปอร์ตมีวีซ่าตามสมุิปัญญตัตของสากกของโลกก็อยู่ในประเทศไต้ต้องมีบัตรประชาชนถ้าเป็นลักผัวก็ต้องมีหนังสือสุตที่ก็มีสิธทสธทิ ตามสมุติปัญญัติชีวิตเราก็มีสิทธิมันหลงไม่มีมีสิทธิไม่หลงสากลแห่งธรรมมันทุกมีสิทธิไม่ทุกมันโกรธมีสิทธิไม่โกรธเราก็ทาแบบนี้ถ้าเราอยู่ตรงนี้เราก็เหมือนกับ มันก็ช่วยโลกมันก็ใช่นี่มันก็ใช่กรรมกรรมฐ า, านเป็นกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ทำไมพ้นเวรพ้นภยัยพ้นกรรมเราก็มีกรรมมาทั้งนั้นอะไรพามาอะไรจะพาไป หมืนกโลกนี่ไม่ใช่เรามาอยู่เราเป็นทางผ่านของเราทางผ่านไม่ใช่มาอยู่เราต้องมาผ่านตรงนี้ถ้าผ่านดีก็ไปดีถ้าผ่านไม่ดีก็ไม่ดีเวลานี่ชั่วโมงนี่เรามีอะไรที่มันผ่านได้มันหลงอยู่สีดานนี่ไหม กายหลงไหมเวทนาหลงไหมจิตหลงไหมธรรมหลงไหมถ้าไม่หลงก็ผ่านถ้าหลงก็ไม่ไปแล้วเวียนว่าอยู่นี่หลงแล้วอยู่นี่ทุกอยู่นี่โกรธอยู่นี่ถ้าหลงอยู่วินาทีนี้วินัยทีหน้าก็หล ง, ลงวินาทีหลังก็หลงมันคือเดี๋ยวนี้จึงมีกรรมแบบนี้ม่ใช้กรรมแบบนี้ เราก็มีกรรมกันทั้งนั้นเกิดมาได้ทําอะไรไปบ้างเบียดเบียนอะไรบ้างเป็นประโยชน์ต่อตัวเองอะไรบ้างเห็นทุกข์ตตัวเองอะไรบ้างเป็นโทษต่อญาติอะไรบ้างเป็นประโยชน์ต่อญาติอะไรบ้างเป็นโทษต่อพุทธศาสนายอะไรบ้างเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนายอะไรบ้าง คิดดูก็ประมาทไม่ได้แล้วก็อะไรทำอะไรเยอะแยะที่ไม่ดีตัดไม้ทำลายป่าจับสัตว์เจ้นานาดักใสดักโลกถูกปลาถูกสัตว์เป็นร้อยๆเหมือนๆตัว เนี่ยมันก็ขนหัวลูกเราจะอยู่ประมาณได้ไงสาวชาวนาชาวไร่ฐานต้นไม้ถานป่าเป็นป่าเป็นลงบุกเปิดจนเป็นที่นาที่ไร่สร้างบ้านสร้างเรือนไปทำลายเขามาสร้างที่นี่หิบหายที่หนึ่งมามาอยู่ที่นี่ว่าตัวเองพัฒนา หลต้นเสาต้นเนี่ยแต่ก่อนมันก็มีลูกมีหลานเดี๋ยวนี่ก็มาเป็นแบบนี้หลานเดินขี้ผายมาอยู่ที่นี่เนื่ว่าเราดีแต่ที่สุดก็ผลก่อทุบโลกร้อนเพิ่มขึ้นเดวเลานี้ฝน ก, ก็ตกอะไรที่เราใช้เป็นใช้คำอะไรทาํามะบางใช้นี่บ้างก็ดีนะเวหล่านี้ก็ ไปจะปลูกต้นไม้อลไรก็ปลกได้ผลตกแล้วต่อจาแต่ผลตกมาเน่ก็ได้แล้วประมาณสองร้อยต้นแล้วตกทุกวันหวานไม่ได้อยู่ฮ่ฮ่าฮ่ะคืออยากจะคืออยากจะให้ปลูกอะบุญนาคแถวป่ามะม่วงต้นมะม่วงอยู่ตรงไหนปลกบุนาคตรงนั่ น, น, นไม่ทนเอกต้นมะม่วง ยี่หน่อยก็จะตายแล้วเออมบนหน้าไปแช่ไว้อย่างเง่ามานะัน่ะต้องไปปลูกที่ใดแต่ก่อนที่นี่มาม่วงขึ้นสมองเสียวเวลามากปูขอถองก็หวนกันอมม่วงขึ้นสมองเดี๋ยวนี้ไม่มีประโยชน์แล้วตอนอ้นยางที่ปลูกพร้อมกับอมม่วงเป็นท้นสูงแล้ว แต่มม่วองยังไปแทบไม่ถึงไหนเหมือนคนหลงด่านเวกายก็หลงเวทนาก็หลงจิตก็หลงธรรมก็หลงไปไม่ถึงไหนโดยถูกก็มีแต่ความเสื่อมแต่ต้นยางปลูกเพิ่มกันมม่วงเป็นท้นทรงแล้วได้ขายได้ได้ต้นละหมื่นแล้วยี่สิบสามสิบปี ตอหน้าใครจะเป็นอาสาสมัครไปเอาบุญนาคมาปูกให้เหมือนเป็นบุญนาคแถวบ้านของแม่ชีเนี่ยแถวมะม่วงแถวเนี่ยเอาบุญนาคมาปูกสับต้นมันไว้มันก็โตหวานโตนเขินขึ้นมาต่อไปเจ็มยาหม้อใหญ่บุญนาคถ้ามัน ขึ้นมาออกดอกดอกบนหน้าเนี่ยคนเป็นคนนันสูมคนนันต่ำเพียงแต่นอนอยู่ใต้ต้นมันให้มันไต้กินบนหน้าก็าหายได้ออกสี่สิบห้าสี่ปีที่นี่เจะปัญญาม่อใหญ่พระยมอมต้นดอกไม่เยอะแยะไม่ดอกไม่ยาอะไรเยอะแยะอยู่แถวเนี่ย ลำดวนบนหน้ากกเฉยโอ้ ย, ยอเยอะๆนะับไปไปเพราะนั้นให้ให้ใครจะเป็นนัสาสมากโกบมบนหน้าแถวต้นมะม่วงถ้าใครไม่รูปไปถามหลวงตาจะบอกเดี๋ยวนี้มีบนหน้าเป็นร้อยๆพันๆต้นต้นไม้เยอะแยะสามารถปลูกได้เป็นไม้ดอกไม้พุ่ม ไม่วัดไม่วาวิกุณบนนาศาปีอบเชยนี่เป็นไม่วัดไม่บ้านมันถูกตำลาระเพนีอ้อยช่อยปีเขงขาเข็งขาตะไคร้ไปวัดโกดเป็นยาใกล้บ้านคนจะปลูกบ้านปลูกเรือนเอาต้นกล้วยมัดใฉ่ต้นเสา ต้นอ้อยต้นกล้วยต้นยอต้นคูนมัดใส่ต้นเสาเสาเอกเสาโทไปมัดไปตัดเขามามัดใส่น่านไม่มีประโยชน์ต้นกล้วยมัดใส่เสาเอกเอากล้วยไปปูกต้นยอรู้จักต้นโยไหมแม่ลูกอ่อนอย่าเลือดเอามาตำส้มจินกากเลือด วิกวนวดหน้ากบเชยมันนี้เป็นไม้ใกล้บ้านถิงขาตะไคร่เป็นมะกูดเวลาท่านสอนลูกสอนหลานพิกอยู่หื่นเหนือเกลืออยู่หื่นไตหัวชินไข่อยู่เหื่นเพลนโบมแอนเนลเด้ลหลานเออพริกอยู่หื่นเหนือเกืออยู่เหื่นไตไปขอเพลนอัตอนตรานั่งชิวเพียงกอ เขาโคจนามะหนาวผันน้ามึ่งงานหน้าเพกมะหนาวผันน้ามเพชรออกลูกตลอดปีไปหาซื้อที่สวนเตยจักเขาบอกบางของนายนั่นไหนนี่สวนเตยจักไปหาซื้อได้สองต้นต้นร้อยสองร้อยบาทมาปลูกไว้ที่นั่นเดี๋ยวนี้ แต่ก่อนที่นี่มะนาวเลยเต็ไมไปเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเ น, นบอไม่เพี้ยน <Yeah. S 1> เดี๋ยวนี้มันบะมี่แล้วบกเน้านั้นหมดแล้ ว, ลวเราลองปลูกดูกดูซิฝ น, นนี่ฝนตกแล้วด่าปลูกบนนาแถว มันพักผู้หญิงวาจิกาเลยให้เต็มหมดเลยทุกทุกทุกต้นทีดมีมะม่วงโอบบุญนาคลงไปกับเม่าหเลยนันต้องไปถางที่ใดนี่ก็ใช่นี่ใช่นี่ไปที่นี่โลกอัตตา ทิปตยานาททัตจริยาประโยชน์เจตัวเองประโยชน์เจญาตประโยชน์เจโลกประโยชน์เจพระศ า, าสนาเป็นคนดีแล้วความชั่วทำความดีให้ได้ถ้าเราเป็นคนดีอะไรที่มันดีอีกหลายอยา่าง เราก็เป็นคนไม่ดีมาเคยทำให้พ่อแม่เสียใจเป็นทุกข์ทำอะไรมันก็ไม่พอทวนนะ่ะคิดเห็นพ่อแม่แล้วโอ้ยสงสารพ่อแม่ต่อมาดไม่ได้ขอเอากาเอาใจนี้ทำความดีที่พ่อไม่ให้เกิดมาเนี่ยจะไม่ทำความชั่วเด็ดขาดจะตือนหรือล้นที่สุดเลย ทำเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มใจคิดถึงพ่อถึงแม่แหละเราจะมาเอาชีวิตเรานี่แเละใช้นี้ทำความดีให้เจอตัวเองไม่บี่เบียนตัวเองไม่บี่เบียนคนอื่นเป็นประโยชน์ต่อญาติเป็นประโยชน์ต่อโลกอีกหน่อยเนี่ย น้ตงตากางน้อยต้องมีต้นไม้อยู่นี่สามสี่แสนต้นสามสิบปีข้างหน้าจะขายต้นละหมื่นได้เงินสามแสนหมื่นในของขครของโลกเป็นสบัิของโล ก, โลกนี่โลทัตทะคิริยาประโยชน์แก่โลกเราก็ทำได้จะให้เป็นเสียชาติไปทำไม้มา มองไปเถอะพวกเราอย่ามาอยู่มาอยู่กับความโกรธความพอใจความไม่พอใจมันมากกว่านี้งานของเราที่มันจะเป็นประโยชน์แล้วเราก็เป็นสัตว์สังคมนี่พ่อมีแม่มีพี่มีน้องเป็นประโยชน์ต่อญาติจริงๆถ้าไหนเห็นลูกชายเป็นคนดีเห็นลูกสาวเป็นคนดี เพียงได้ยินว่าเป็นคนดีก็ชื่นใจเรายินใจแล้วยินใจแล้วถ้าห่วงพ่อห่วงแม่ก็ต้องเป็นคนดีรักผัวรักเมียต้องเป็นคนดีรักลูกรักเต้าต้องเป็นคนดีรักพ่อรักแม่ก็ต้องเป็นคนดีไม่ใช่ความรักโดยความคิดความรักจริงคือการกระทาเหมือนผู้เจ้า ก็หนังพิมพ์พาตัวเจ้าเห็นคนเกิดคนเจ็คนเจ็บป น, นตายสมัยเป็นเจ้าผ้าชายอยากช่วยคนเห็นคนเกิดเป็นทุกข์เห็นคนเจ็บเป็นเจ็บเห็นคนเจ็เป็นทุกข์เห็นคนเจ็บ เ, เ, เ, เ, เ, เป็นทุกข์เห็นคนตายเป็นทุกข์มันไม่มีหรือก็ว่า ไม่มีมีเกิดต้องมีไม่เกิดไม่มีหรือยังหาทางที่ตอบเพราะจะตอบให้คนไม่มีใครตอบเรื่องนี้ถามพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าพระเจ้าตาพระเจ้ายายไม่มีใครตอบได้ถามใครก็ตอบไม่ได้ต้องยอมอย่างนี้เหรือก็อเป็นอย่างนี้แหละคอยร้องให้เสียใจยเสียถาไม่ยอม เป็นคิดเรื่องนี้เพราะสองสารคนออกแสวงหาโอดัำกับเพียมภาเพียมภาก็รักสีธะสีถะก็รักเพียมภาเราลัการสองคนไม่พอต้องลกคนต้องโลก่านที่ลกคนต้องโลกต้องมาช่วยคนให้เหนือการเกิดการแจกการเจ็บป่วตายมันต้องมีแน่นอนจึงเห็นสมณะ พอที่มีชีวิตได้ทำร่างนี้ขึ้นมาจนได้เกิดพระธรรมคำสอนอุทธัตถาคโตโรเจอุปโนโนพระุธเจ้าอวัตขึ้นแล้วนรกนี้ต้อมทัพพระธรรมคำสอนนั้นไ ป, ไปเพื่อทางออกจากทุกเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปลิธานมีอยู่จริง สมผัดดูมันหลงไม่หลงมีอยู่จริงขวามหลงมีความไม่หลงก็มีควาพอใจก็มีความไม่พอใจก็มีถอนดอกมาได้เย็นไหมเราสวดอธปิสมชะชโนสติมาธรรมอวินัยโลกเ่อปิชาโทมาสัถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเหสียได้ นั่นนี่สติก็มีอยู่มีที่ตั้งอยู่เนี่ยรับอดอตงตานี้ไปรับไปจากคุ้เจ้ามาสวมใส่อย่าให้มันบอดเขินหลงตาภายในหน้าในกายในกายเวทนาในเวทนา จิตในจิตทมในธรรมให้มันเห็นสูมห่วงตาเข้าไปให้มันเห็นอย่าบอดอย่าหลับไม่มีใครบอดเท่ากับคนไม่เห็นตัวเองไม่มีใครหูหนวกเท่ากับไม่ฟังเสียงตัวเองเราจงมาเห็นมันเนี่ยมันไม่ใช่ลี้ลับ มีกายก็มีจริงมนุษย์สมบัติละความชั่วก็ได้ตามความดีก็ได้ส่วนที่จะด่าก็ไม่ด่าได้มันจะโกรธไม่โกรธได้มันจะทุกข์ไม่ทุกข์ได้ใช่อย่างนี้อย่าให้โกรธเป็นโกรธทุกข์เป็นทุกข์หลงเป็นหลงคุ้นคิดในลมที่คุ้นคิด ความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเรียกว่าส ม, มุทัยสังขารต้องมีสติเข้าไปกำหนดสลอดความคิดมีสติเข้าไปความคิดที่ตั้งใจมันก็มีอยู่หรอกแต่ว่าไม่มากมันจบเป็นความคิดที่ไมไ่ตั้งใจมันเป็นสังขารเป็นส ม, มุทัย มือนน้ำไหลอันใหม่ไหลไปอันน um> ั้นอันอันใหม่ไหลมาอันที่มาเห็นแล้วก็เป็นของเก่าไหลไปอีกอันใหม่ไหลมาอันใหม่ก็เป็นของเก่าไหลไปอีกนั้นเรานั่งอยู่บนน้ำไหลเราดูตรงหน้าเราเห็นน้ำไหลที่ใชื่อมันไม่ใช่น้ำอันใหม่ไม่ใช่น้ำอันเก่าอันใหม่มาเรื่อย เรียว่าสันตติคือความคิดเกิดขึ้นตันทะเลมันไหลไปสัติเกิดขึ้นทันตะเลมันไหลไปสัญติเกิดขึ้นทันตะเลมันไหลไปอย่าไปยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราถ้ามีความทุกข์มีความโกรธมีความโลภความหลงมันก็ไหลไปไหลไปเราไปยึดเอา วันโกรธตั้งแต่เมื่อวานเอามาโกรธอยู่มายืดเอาหวันทุกตัแต่สามวันสี่วันเอามาคิดตัวมายืดไว้เป็นเราไม่ใช่กายสภาวากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนาสภาวาเวทนาไม่ใช่จัตตุบุคคลตัวตนเราเขาจิตก็สภว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาชัดเหลือเกิน ไม่มีผิดเหยาทิ้งก็มาได้ลองดูลองไปเอาตนในทุกข์ดูซิมันมีแต่หลอกเป็นโทษลองสละ ด, ดูซิมันจะเป็นไงมีประโยชน์ตอนหลอกบาซ้ามีสติแล้วแหละอยู่มีสติแล้วแหละอยู่มันก็จะเหนือการเกิดเจเกิดตายไปได้เนี่ย แล้วก็เราก็มาเป็นงานของเราพูดแต่เรื่องนี้กันให้ได้ยินได้ฟังให้มันคุ้นหูจะได้ไม่โจนถ้ามันหลงก็เห็นมันไม่หลงถ้ามันทุกข์ก็เห็นมันไม่ทุกข์มองสองตรงกันข้ามมันมีตรงกันข้าม ดีชำนานไปจนชำนานชำนานไปจนเหนือกา่อนเกิดการเจการนเจ็บก่นตายได้ไม่นานเอาให้ได้พบได้เห็นในชาติปัจจุบันนี้ด้วยกันทุกคนทุกคนเถอกับพระฟังกัน